อันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของสังขารขันคือกองแห่งสังขารที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นคำว่าสังขารขันในขันทั้งห้าประการ เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่เราเรียกว่า T S S K T H M เจตสิกธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลให้แปรผันไปตามอำนาจของสังขารเหล่านั้นเพราะเมื่อกล่าวโดยในยะหนึ่งคำว่าสังขารในขานห้าก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมะนั่นเองท่านจาแนกออกไปทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็น กลางๆคือไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลแต่ละฝวานั้นปรากฏแก่จิตของบุคคลอยู่ตลอดปัญหาสำคัญว่าในขณะใดธรรมะกลุ่มใดปรากฏแก่จิตเท่านั้นเพราะจิตเราไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่เป็นหอหตจิตคิดก็คือสังขาร เนื่จากสังขารมีดีมีไม่ดีมีกลางๆงความคิดของคนก็มีดีมีไม่ดีมีกลางกลางในหลักของการปฏิบัตินั้นในส่วนของสังขารที่เป็นกุศลแธรรมคือพวกกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายจะเป็นข้อใดก็ตามที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่จิตในขณะนั้ น, น, น องศองนะับุคคลรู้ถึงความจริงแห่งกุศลลธรรมเหล่านั้นที่ปรากฏแก่จิตและเมื่อเห็นว่าเป็นกุศลธรรมก็พยายามประครับประคองรักษา ก, ศากุศลนิจเหล่านั้นเอาไว้ในในการเจริญสมาธินยามใดจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ประคับประคองสมาธิเอาไว้ในขณะใดจิตที่มีความเพียรพยายาม ที่สม่ำเสมอก็พยายามประคับประคองความเพียรเหล่านั้นเอาไว้ให้ดำรงอยู่ได้ น, น, นานๆพยายามใดที่มีสติสัมปชัญญะมั่นคงดีไม่วกแวกไม่สับสนไม่สั่สายในอารมณ์เห่าอื่นก็ทรงสอนให้ประคับประคองสติสัมปชัญญะเหล่านั้นเอาไว้เป็นต้นลักษณะการประคอง เนื่องจากธรรมะนั้นมีลักษณะอ่อนไหวถ้าอย่างมีกำลังไม่มากพอซึ่งก็ น, นี้สาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้จากการประพฤติปฏิบัติสมาธิด้วยตัวของตนเองเพราะสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นเรารักษาไว้ไม่ได้นานก็แวบไปแวบมาแวบมาแวบไปเรื่อยบางทีแวบไปล้วก็หายไปเลยกว่าจะดึงกลับให้มาเกิดเป็นความสงบได้ ที่ก็สูญเสียเวลานานเรียกว่าภาวนาได้หรือภาวนาไม่ได้บางครั้งภาวนาไปแล้วความสงบมันก็ไม่เกิดบางครั้งภาวนาไปแล้วความสงบก็เกิดเกิดขึ้นได้มากบ้างน้อยบ้างแต่แสดงอาการที่แท้จริงของเขาออกมาก็คือความไม่มั่นคงเนื่องจากปริมาณของกุศ ล, รลหรือกุศลเหล่านั้นยังมีไม่มากพอ ใจพระมุคคลก็พร้อมที่จะอ่อนไหวไปได้ในการประคองจึงทรงสอนในลักษณะที่เป็นรูปธรรมให้เรามองดูก็เหมือนกับบาตใส่น้ำหรือใส่น้ำมันให้เต็มแล้วก็เดินถือประคองไปโดยน้ำมันไม่หกไม่กระชอกออกมาจากบาตในการประคับประคองเช่นนั้นต้องใช้กบลังกาย มังสติสมัชัญญะและการรู้จักระลึกรู้อยู่ทุกขณะซึ่งก็หมายความว่าเอเพียงขณะเดียวน้นเหล่านั้นก็หกได้การประคองจิตะอยู่ที่กุศลธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นเราอาจจะประคองอยู่ได้สักระยะหนึ่ง แต่พอถึงอีกช่วงหนึ่งเขาก็แวบไปก็พยายามที่จะให้เขาปรากฏอีกแต่ในรูปของกรรมฐานนั้นจะศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นคือเมื่อกุศลธรรมปรากฏเราสัมผัสความสงบเย็นจากกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วเกิดความดื่มด่ำในรสชาติแห่งธรรมะที่เราสัมผัส ก็ปรารถนาที่จะสัมผัสต่อไปเจนท ง, งสอนให้ศึกษาถึงเหตุปัจจัยที่ให้เกิดกุศลลธรรมข้อนั้นๆก็ต า, ามปกติกุศลธรรมแต่และข้อหรือแม้อกุณุณธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันคือไม่เกิดกับจิตเราอยู่ทุกขณะแต่มันเกิดเป็นขณะขณะไปถึงจะวันหลายขณะหรือว่าน้อยขณะเท่านั้นเอง ทีนี้มื่ศึกษาไปแล้วทราบถึงที่ไปที่มาของกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วก็ศึกษาถึงวิธีที่จะให้กุศลธรรมเหล่านั้นดํารงอยู่เราทำยังไงจึงจะให้กุศลธรรมเหล่านั้นซึ่งยังไม่เกิดแต่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้วนี่ทำยังไงจึงจะดํารงอยู่ได้แล้วก็ทํำยังไงจึงจะให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจนเข้าถึงความสมบูรณ์ ที่ตั้งใช้คำว่ามีธรรมะข้อนี้พึงสังเกตว่าพอถึงจุดหนึ่งจะทรงใช้คำว่ามีจะมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรข้อความที่ทรงใช้ก็เปลี่ยนแปลงไปอาตาปีสัมปชานโนสติมาแทนที่จะเรียกว่าสติเฉยๆก็ทรงเรียกว่าสติมาเป่ามีสติแทนที่จะเรียกว่าสัมปชัญญะ เ็เรียกว่าสัมปชานะแรามีความรู้ทั่วพร้อมแล้วแทนจะเรียกว่าความเพียรก็เรียกว่าอาตาปะเป็นตน้นแต่การแสดงถึงจิตใจของบุคคลผู้ประพฤตปฏิบัติธรรมะในขณะนั้นว่ามีธรรมะเ่านันจบเมื่อมีก็มันเหมือนกับมีกําลังร่างกาย คือกำลังเรียบแรงร่างกายของเราที่เรามีอยู่นั้นเราสามารถป้องกันอันตรายก็ได้กัจจอันตรายก็ได้บริหารในร่างกายมีสุขภาพพราดมัยดีขึ้นก็ได้แล้วรักษาสุขภาพพราดมัยเอาไว้ก็ได้หรือมันก็เรามีความรู้เราสามารถที่จะโต้อตอบปัญหาต่างๆได้สามารถทำงานต่างๆได้ สามารถที่จะชี้แจงแนะนําให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจได้แต่เราถึงสามารถที่จะเพิ่มพูนแล้วก็รักษาความรู้เหล่านั้นเอาไปได้เป็นต้นแต่ว่าทางนี้ท่านั้นต้องมีหรือต้องมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายในใจถ้าไม่มีมันก็ไม่รู้จะทำํำยังไงตัว <inch> อย่างที่เพ <s> ิงศึกษาเช่นสมาธิติที่เป็นปัญหาซึ่งเรา เน้นหนักกันมากในพระพุทธศาสนาเพราะที่จริงสุดยอดของความรู้ในทางพระพุทธศาสนาก็คือสมาธิินั่นเองที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงคือเห็นชอบตามหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการมันก็เป็นกิยบุคคลแต่สมาธิินั้นที่จริงแล้วระดับหนึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ แต่พอถึงจุดหนึ่งมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยจากภายนอกมาโนมนาจิตใจของบุคคลให้เควยให้สับสนไปมันก็ไปกับเขาได้เพราะบนเส้นทางของความเป็นปุถุชนสาบเท่าที่ยังไม่สามารถขจัดสักการะจิติวิชิกิชาศีลป์ปัตตรมาศอย่างประโสดาบันได้นะปัญหาเรื่องการเบี่ยงเบนของจิตคือออกไปน้นทีเป็นนิ่ี มีลักษณะสับสนหรือไม่รู้จะเอาอะไรจริงๆจังๆเนี่ยมันก็เกิดอยู่ได้เสมอไปสมาธิที่สอคือปัญญาเน้นชอบซึ่งมันเกิดขึ้นภายในใจคนถ้าก็เกิดขึ้นแล้วก็จะสร้างจิตใจของบุคคลให้สว่างโปรง่งมีเหตุอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านมาทางประสาสัมผัสก็จะมีการวินิจฉัยตัดสินชี้ผิดชี้ถูกได้ ที่การควรไม่ควรได้เพวันเขาจึงสามารถจะเว้นบาปบำเพ็ญกุศลได้ในแต่ละขณะถ้าปริมาณของสมาธิที่ก็มีมากกว่านั้นก็อาจะหาประโยชน์ได้ทั้งจากกลุ่มของกุศลกลุ่มอกุศลและกลุ่มของกลางกลางอันที่กล่าวไว้ในวันก่อนแต่สมาธิจะไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพราะตามปกติแล้วสภาพแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่นั้นมักจะน้มเอียงไปในทางที่เป็นวิชาชิติดังนั้นแหล่งที่มาของสมาธิจิตจิมันจึงมาได้จากสองแหล่งโดยไม่นับพื้นฐานในด้นจิตใจของบุคคล คือคนเราถ้าเกิดมาด้วยกําลังของกุศลธรรมคือความไม่โลภไม่โกรธไม่โลงแล้วจิตใจมันก็ น, น้มเอียงไปทางส ม, มาธิจิตอยู่สูงเหตุมีผลมีจิตสํานึกที่จะวินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในตัวของตัวเองรู้ความควรไม่ควรได้ในหลายๆเรื่องแต่ว่าการเกิดจริงๆนั้นเกิดขึ้นจากก็เรียกว่าปรตโตโคษ การได้ยินได้ฟังจากแหล่งอื่นๆหมายความว่ามีการเรียนรู้มาทางภาษาสัมผัสได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ริมด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกายได้สึกนึกด้วยใจที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูและได้คิดด้วยใจซึ่งภาษาสัมผัสทั้งสนี้มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างสมาธิ แต่คำว่าปรารถที่แปลว่าคนอื่นเมื่อเกิดมีปัญหาเคลื่นมาเตืนชีเลยเพราะคนอื่นนั้นคือใครกพระที่จริงแล้วถ้าใช้คำว่าคนอื่นนอกจากเราก็คือคนอื่นทางนั้นแต่คนอื่นที่ใช้เกิดสมาธิทีนั่นคือใครเพราะอะไรเพราะแม้แต่ระดับคนที่เป็นาศาสดาเจ้าลัทธิก็ยังมีความเห็นผิด อ, อกนอกโลกนอกทางของธรรมะไม่ยุติได้เหตุผลและความดีเช่นในสมัยพระพุทธเจา้าก็มีนักบวชนอกศาสนาที่สงใช้คำว่ามีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกคือหมายความวม่าพุทธเจ้าอะไรก็ขัดแย้งกับหลักคําสอนของพระอรหันต์ที่ท่านได้บรรลุธรรมท่านได้จดจารู้ธรรมคนระดับนั้นก็เป็นมิจฉาทิจจิได้ สมัยพุธการมีดังๆอยู่หกท่านเช่นปรุรกักสัพปะเป็นต้นเพราะ้ในชีวิตประจำวันของบุคคลเราทำยังไงจึงจะได้ปรตโคสัตว์ที่เป็นแหล่งซึ่งสามารถให้ความรู้ความเห็นที่เป็นสมาธิได้ แต่เราก็จับหลักได้ว่าคนอื่นจริงๆมันก็มีอยู่สองพวกมือนก็ขนาดจิตของเราเนี่ยบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีการกระทําก็เราบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีเพราะว่นคนอื่นมันก็เหมือนกันทีนี้คนที่ทําความไม่ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ดีอยู่สม่ําเสมอไม่ดีมากกว่าดีเราก็ถือว่าเป็นคนผ่านการได้ยินได้ฟังจากบุคคลประเภทนั้นบางครั้ง เราต้องฟังหูไว้หูคือไม่น้องใจเชื่ออะไรไปง่ายจะเกิดไปพระนิสัยของบุคคลเหล่านั้นหรือจิตสันานของบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยังไม่พร้อมจะแสดงเหตุผลที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่เข้าเกี่ยวข้องกับตน แต่ทีนี้บางครั้งเราอ่อนด้อยในด้านปัญญาที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยคำสอนในทางอระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะคล้ายๆกับเผื่อเนียวเอาไว้คือตัดปัญหาซะเลยอย่าคบผ่านซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนผ่านไม่ได้หมายความว่าพูดชั่วอยู่ตลอดระยะเวลามันก็มีดีอยู่บ้าง น, นะแต่ว่าเราแยกไม่ได้ บางทีเราแยกไม่ออกเพราะสติปัญญาเราไม่มีกำลังมากพอเพราะเพื่อจะตัดปัญหาเสียในตอนต้นจึงไม่ให้ควบคุผ่านมันก็คล้ายๆกับร่างกายเราไม่มีกำลังไม่มีที่แรงมากพอมีภูต้านทานโรคต่ำก็ตัดปัญหาเสียคืออย่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นปัญหาของโรค เ, เหมือนกระดูดที่มีโรคระบาดต่างๆร่า ง, งกายคนแต่ละคนมันก็อ่อนไหว พร้อมที่จะติดเชื้อเหล่านั้นได้ง่ายก็มีการประกาศเป็นการดักเตือนไม่ให้เกี่ยวข้องกับโรคล่านั้นหรือไม่เข้าใกล้คนที่เป็นโรคล่านั้นหรือไม่ให้บริโภคร่วมใช้สอยร่วมกับบุคคเลเนั้นตลอดถึงมีการป้องกันเอาไว้เป็นต้นแต่แรกก็ผากับคนที่เป็นบัณฑิตหรือในที่หนึ่งเรียกว่ากาลยาดมิต เพราะกคำว่ากา ร, รยาณมิตรนั้นจะมีอยู่ทุกแห่งของกุศลธรรมพูดไปพูดม า, าจะกี่ข้อก็ไม่รู้แหละแล้วก็ในที่สุดจะจบลงด้วยกา ร, รยาณมิตรคือได้คนดีเป็นมิตรเป็นสหายมีความเกี่ยวข้องกับปะสนทนากระท่านได้ยินท่านพูดได้เห็นการกระทําของท่านได้ตึกนึกในสิ่งที่ท่านแสดงออก เราก็เป็นทางให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ทีนี้าำยังไงจึงจะรู้ว่าคนดีและไม่ดีพู้เจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าคนเราจะรู้ว่าใครเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลนั้นจะรู้ได้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนาน จะต้องใคร่ครวนต้องพินิจพิจาจรณาจึงรู้ถ้าไม่ใคร่ครวญไม่พินิจพิจาจรณาจะไม่รู้เพราะอะไรเพราะการแสดงของคนเนี่ยคือคนกับราาิย์เดชะในจุดที่ต่างกันที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆก็คือว่าศาสตร์เดชะนั้นจะใช้ไปตามอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆไม่มีการวินิจฉัยถูกผิด ม่นึกถึงความควรความไม่ควรนะฮะบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่าแนวมะเร็งมะวิ่งเข้ากองไฟเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สอนให้เห็นว่าสัตว์เดชอานมันก็ไม่รู้ควรหรือไม่ควรอะไรแต่เป็นการแสดงอารมณ์ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นหมายความถ้าเขาโกรธเขาก็แสดงโกรธถ้ารักเขาก็แสดงรักออกมาสัต์เดือดฉานเขาจริงเขาก็ตร ง, งนะฮะคือว่ากันตรงๆถูกก็ถูกผิดก็ผิดโกรธก็โกรธ รักก็รักแต่ว่ามนุษย์เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่กรอบด้วยมายาสาไทยมายาก็คือเจ้าเลขต่างๆสาทยาก็คือการโอ้อวดที่เราเรียกรวมๆมายาสาไทยณควารรมในขณะที่เขาแสดงออกอยู่นั้นอาจจะพูดอย่างหนึ่ง แตใจใจจริงๆก็คิดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะทําอีกอย่างหนึ่งก็ได้มันจะมีความขัดแย้งกันในตัวของเขงาแต่นั่นพรพุทธเจ้าจึงสอนให้สังเกตให้เพ่งพินิจพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องสังเกต บ, บ่อยๆด้วยซึเรื่องนี้กลับเป็นปัญหาใหญ่ในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของบุคคล เพราะตามปกติแล้วบุคคลนั้นมักจะมีอธิโมกคือน้อมใจเชื่อกพว่าอะไรก็เชื่อไปได้มีความสมเหตุสมผลขนาดไหนก็ไม่รู้มีความเป็นไปได้ขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ก็เชื่อไปก่อนนะโดยไม่พิจารณาถึงแหล่งที่มาของข่าวสารเหล่านั้นว่าควรกับการเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพียงใรทาให้คนเราอ่อนไหวเพราะข่าวลือต่าง หรือตื่นนกตื่นเต้นเรื่องราวต่างๆที่บงังเกิดขึ้นดังนั้นในข้อนี้ทำให้คำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นความปลอดภัยเอาไว้คือเน้นเอาไว้ที่ขนเรื่องเป็นหลักเอาบัณฑิตเอาที่ใกล้ชิดแก่ตัวเองไปได้่อยๆ เราสังเกตว่าแนวการฝึกปลือคนของบุคคลพูะเจ้าจะสอนให้บุคคลเกาะอยู่ที่คนซึ่งเป็นกัลยาณมิตรตั้งตออ่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์สานักปรามเจ้านายอะไระต่างๆซึ่งแน่ใจเรียกว่าให้ความบั้นใจว่าคนเหล่านี้จะเป็นกัลยาณมิตร จะไม่ทำตนเป็นพิษเป็นภัยกับบุคคลผู้นั้นซึ่งจะต้องอาศัยการสังเกตมากๆแต่พอดีอาศัยความเกี่ยวข้องด้านอื่นเข้าเป็นเครื่องประกอบเพื่อทำให้เราใช้ปัญญาเลือกเฟ้นบุคคลน้อยลงก็ได้เช่นพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าสมณพราหมณ์หรือว่าครูบาอาจารย์อะไรเนี่ย แต่พอมาถึงสถานก า, ารณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าบางครั้งก็ต้องระมัดระวังเพราะความว่ามายาสาทถยที่มีอยู่ภายในใจคนนั้นเราจะตกเป็นเครื่องมือของบุคคลบางพวกก็ได้พระโตโคสะคือแหล่งการรับรู้แต่ไม่ใช่รับแล้วรับเลยกระบวนการรับก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับที่ส่งสอนเอาไว้ว่า มีประสบการณ์ทำประสาสัมผัสมากทรงจำไม่ได้มากแล้วก็ท่องได้แต่นั้นจะเหมือนกับวัตถุดิบที่เอามากองไว้มหึมาแล้วก็ป้อนเข้าสู่โรงงานแยกย่อยเอาไปเป็นสัตว์เป็นส่วนตามกรรมีธีในหลักการซึ่งกำหนดเอาไว้ในที่นั้นๆเอาก็แยกย่อยออกไป และขณะการแยกย่อยนั้นพึงสังเกตว่าเป็นวิธีการที่เป็นรู ป, ปรธรรมแต่สอนเราได้อย่างดีว่าสิ่งเหล่านั้นโดยสถานะหนึ่งที่ยังไม่มีการแยกย่อยหรือแยกย่อยอย่างหยาบๆมันจะมีส่วนหนึ่งที่ถูกชิ้งไปเด็ดขาดแล้วค่อนข้างจะมากไปด้วยแต่่าถึงระดับการแยกย่อย ที่มีเครื่องยนต์กลไกเขาช่วยเหลือสนับสนุนอย่างหนึ่งม่เป็นอย่างหนึ่งไม่ได้ันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งได้จนในกระบวนการของน้ำมันแยกย่อยออกไปจนใช้ได้ทุกอย่างใช้ตามสมควรแก่สภาวะหรือสถานะของสิ่งต่ั้นหรือกระบวนการผิดเป็นอันมากที่ทำวัสดุเหล่านั้นซึ่งแปลสภาพอันโดยทํดดับเข้ามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในฐานะอืน่นๆตลอดถึงของเหลือใช้เดี๋ยวก็จริงแล้วก็ํำไปใช้เกิดประโยชน์เป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สอนให้บุคคลได้คิดว่าการแสวงหาประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขความส ง, งบภายในใจิตใจของบุคคลนั้นการที่เกี่ยวข้องกับคนข้างนอกคือรับรู้จากคนข้างนอกนั้น มันต้องนำมาย่อยนำมาคิดจนเกิดเป็นความเข้าใจที่มองเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งระบบของเขาไม่ก่อให้เกิดความสับสนแน่นอนทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามการรับฟังเป็นเรื่องที่เราต้องรับฟังแต่ก็ถือเป็นเพียงข้อมูลอย่าถือก็ทุ่มตัวลงไปไปทุกเรื่อง คือบางเรื่องนีนต้องถือเป็นข้อมูลระดับหนึ่งแต่นั้นเองที่เราจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาประกอบเพื่อช่วยให้หาจุดดีจุดเด่นหรือจุด ด, ด, ด, ด้อยของสิ่งเหล่านั้นได้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่มาของแหล่งเนื่องจากในปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่เราเรียกกันว่าข้อมูลและข่าวสาร ท่านสาธารณชนท้ายสังเกตได้ว่าเอาก็จริงแล้วเราสื่อสารนี่น้อยกว่ารับสารตื่นเช้าขึ้นมาจะอ่านหนังสือพิมพ์อาจจะฟังคนอื่นพูดอาจจะดูโทรทัศน์อาจจะฟังวิทยุซึ่งเป็นการรับสารนั่นนั้นแต่ว่าสารที่ส่งมานั้นคือข่าวคราวต่างๆที่ผ่านมาทางหูต่างๆนั้นมันเป็นของกลุ่มผลประโยชน์ ที่ต้องการได้ผลประโยชน์จากการสื่อสารในการติดต่อเร า, า่าหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวข่าสารดังนั้นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเพียงข้อมูลที่ต้องรับฟังแล้วก็นำมาย่อยนำมาย่อยด้วยใจคิดได้ใจ จากการคิดเนี่ยกลายเป็นเหตุเกิดของสมาธิจิอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าโยนิโสพนสิการหรือการนำเอาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูใจหรือตาหูสมูกลิ้กาใจอะไมาพิเิตพิจารณาอย่างมีระบบมีกฎมีเกณฑ์มีเงื่อนไขในการคิดแต่ก็จะเกิด ภูมิธรรมภูมิจิตที่สัมผัสธรรมะได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหรือา จ, จะไม่ต้องดูอื่นไกลเจนการพิจารณาว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปการพลัดพรากเหล่านั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไเลยว่าเมื่อไหรจะพลัดพราก เรารู้แต่จุดที่มีการพบปะกกันการอยู่ร่วมกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าการพระพรากนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรที่แน่นอนที่สุดก็คือมีการพระพรากแน่แต่เราก็เอาคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนว่าเราจะต้องพระรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปขึ้นมาคิดมาพินิพิจารณาดูชีวิตของเรา อาจจะตั้งแต่เช้ามาถึงบัดนี้หรืออาจจะเมื่อวานวันซื่ อ, อมาหลายวันก็ได้มองย้อนไปเราได้พราดพรากอะไรบ้างใครได้พราดพรากอะไรบ้างเรามองเห็นกระบวนการของการพลดพลากการสูญเสียการเสื่อมสลายการแตกทำลายถึงเกิดขึ้นเกศคนเกศสัตว์เกศสิ่งของในส่วน ต, ต่างๆของโลกอยู่เป็นอันมากนะเ นั่นเป็นการแสดงเห็นว่าทิรพุทเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นความจริงเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้สมาธิิคือปัญญาเป็นชอบก็จะบังเกิดขึ้นมันไปเพิ่มตัวสมาธิิความเป็นชอบเวลาจะยกอะไรขึ้นมาเชืว่ายกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาให้ลงพ้นความแก่ไปได้ อาจจะมองตัวเองในกระจกมองเพื่อนรุ่นร า, ราวเขาเดียวกันมองคนแก่ทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าสติปัญญาของเราจะลึกซึ้งพอที่จะหาประโยชน์ได้จากชุดไหนแต่ปัญหาสำคัญว่าคนพยายามปฏิเสธมันก็เหมือนกับการปฏิเสธในงานศพเราไปในงานศพที่จริงแล้วไปสู่สำนักครูดีๆนี่เอง ไปเรียนปรัช ญ, ญาชีวิตถึงคติธรรมดาของชีวิตที่เป็นความแก่ความเจ็บความตายการพรักราการสูญเสียการร้องผมร้องให้ปริเวธนาการทำวรวนโดยประการต่างๆภาพเหล่านั้นได้แสดงให้เห็นหมดมันก็เป็นตัวสะท้อนสัจธรรมแต่เราก็มองออกข้างนอก คือไม่ได้มองโดยตาใจไม่ไ้น้อมนำเข้ามาสู่ใจเขาตัวเองว่าแม้เราก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสิ่งอะไรหรือคนใดที่มีอา น, านาจดิธิพ์อย่างไรก็าตามจะล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้แลาได้ว่ า, าคนขาดหลักโยนิโสโมนสิกา ก็จะมีการดิ้นรนด้วยประการต่างๆเยนสมัยโบราณกรือตอไหนมาก็พยายามที่จะหายายอายุวัฒนะหรืออายุยืนคือเราเห็นว่าอายุยืนมันก็คือแก่คือเจ็บคือตายคือพลาดพราดคือสูญเสียมันไม่ได้แก้ตัวสภาวะธรรมเหล่านั้นได้ตัวลงก็คงอยู่ในที่เดิมทีนี้ยึ่งอายุยืน เดี่ยวแรงก็ถดถอยลงไปกับบางกากับบงใจก็ไม่มีคนสนิทสนองคุ้นเคยพระพรากจากไปก็มองดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสนุกอะไรนะครับแต่เพราะขาดหลักอยู่ในโสบรรณาการคนจึงไม่ค่อยคิดในรอบครอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ไม่ค่อยคิดหรือไม่ยอมคิดเป็นเรื่องใหญ่นมากตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสุข